Thank you. เกิดมาแล้วมันก็มีจุดสิ้นสุดนะคือความตายช่องว่างระหว่างเกิดกับตายแต่และคนก็สั้นยาวไม่เท่ากันบางคนระหว่างเกิดกับตายก็ห่างกันไม่กี่ปี 4,5 หปีหรือน้อยกว่านั้นก็มีหรือบางทีก็ยาวเป็น 80, 90ปีกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตในระหว่างนั้นมันก็มีขึ้นมีลง มีสำเร็จมีล้มเหลวสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังมีสุขมีทุกข์แล้วคนกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือว่าความแก่นะความเจ็บความป่วยอันนี้มันเกิดขึ้นนะกับทุกคนแล้วที่นีไม่พ้นอีกอย่างคือความพัดพรากพรากจากคนรัก พัดพลาดจากของรักก็หนีไม่พ้นเช่นเดียวกันแต่สําหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันไม่หนักหนาเท่ากับการพัดพลาดจากคนรักพัดพลาดนี้ก็มีสองอย่างนะจากตายกับจากเป็นจากตายก็ก็คือความตายมาทําให้พัดพลาดจากกันแต่บางครั้งแม้ไม่ตายก็พัดพลาดจากกันได้เช่นแยกทางกันอย่าร้างกัน จะมันมีความจากเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าตัวก็ยังอยู่อยู่บ้านเดียวกันกับเรานะแต่ว่าจิตใจเขาเป็นอื่นไปแล้วจิตใจเป็นอื่นนี่มันก็มีแต่หลายแบบนะเช่นว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะว่านิสัยเขาเปลี่ยนไป สาเหตุนี้ก็ที่เรานึกออกแล้วก็อาจจะเห็นเป็นประจำก็คือนกินเหล้าเมามายติดยาหรือว่าติดอบายามุขเนี่ยแไอพวกนี้มันเปลี่ยนทิศสายคนนะเปลี่ยนทิศสายคนให้กลายเป็นคนละคนบางคนเป็นคนดีรับผิดชอบครอบครัวแต่พอติดเหล้าติดยาหรือติดอบายามุขนี่เปลี่ยนไปนคนละคนเลยกลายเป็นคนที่ เห็นแก่ตัวเจอ้าอารมณ์ทำร้ายคนรักแล้วก็ชอบรักขโมยโกงที่เคยสร้างเนื้อสร้างครอบครัวก็กลายเป็นทำลายครอบครัวทีละน้อยทีละน้อยอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนนะะเรียกว่าจากเป็นก็ได้นะือตัวก็ยังอยู่บ้านนะแต่ว่ากลายเป็นอื่นไปซะละนะ นิสัยใจคอจากเป็นอีแบบนึงคือว่าตัวอยู่บ้านแต่ว่ากลายเป็นผักไปซะละมีแต่ลมหายใจตอนเช้าตาก็เปิดพอตกกลางคืนตาก็ปิดเหมือนหลับไปอันนี้เรียกว่าผักก็อยู่บ้านนั่นแหละนะไม่ได้อยู่โรงพยบาบาลแต่ว่าชอบหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่ก็เคยรู้จัก เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีมันไปซะและ้วก็เหลือแต่ร่างกายแบบนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่ว่าพออยู่ไปสักพักก็ทำใจได้ยอมรับได้หลายคนก็ดูแลพ่อแม่หรือลูกที่เป็นผักสิบปีย0สิบปีก็มีก็ก็มีกำลังมีศรัทธามีความเพียรในการดูแล จากเคยจากเดิมที่เคยเศร้าโศกเสียใจก็กลายเป็นทำใจได้จากเป็นอย่างนี้นี่แต่ว่าไปเรื่องดีกว่าจากเป็นอย่างประเภทแรกนะก็คือว่าคนที่นิสัยใจคอเปลี่ยนไปในทางร้ายเนี่ยนะสร้างก็มก็มัวแต่ก็เอาแต่สร้างความชิบหายให้กับคนรอบข้าง อันนี้เนี่ยสู้เป็นผักเสียดีกว่านะที่จริงคนเป็นผักนี่เราจะไปคิดว่าจิตวิญญาณเขาเนี่ยไปแล้วนะเหลือแต่ร่างกายที่จริงก็ยังอยู่นะยังอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะสื่อสารกับเราได้บางคนพอฟื้นขึ้นมาจากการเป็นผักนะมีนะ ฟื้นขึ้นมาจากการเป็นผักก็คือกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหลังจากเป็นผักไปห้าหกเดือนมั่งหรือบางคนเป็นผักไปสิบปียี่สิบปีฟื้นขึ้นมาก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วเขาก็จะเขาจะเล่า ว, ว่าเขาได้ยินนะเสียงคนรอบข้างบางทีก็ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้ บางทีบางคนพาได้ยินเสียงแม่แช่งชักหักกระดูกเขาว่าทำไมแกไม่ตายสิทีเนี่ยบางทีแม่ก็อารมณ์เครียด น, นะดูแลลูกมาสิกบกว่าปีลูกเป็นผักนะแม่ก็ทนไม่ไหวบางทีก็หลุดปากเนะจ้าตัวก็ได้ยินนะก็ใจเสียแต่ว่าก็ยังมีกำลังใจสุดท้ายพอ จะรับการช่วยให้ฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าเนี่ยได้ยินแม่พูดแบบนี้แหละซึ่งมันก็จริงซะด้วยนะแม่ก็ยอมรับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่มันเชื่อว่าคนที่เป็นผักเนี่ยนะอย่าไปเิื่ว่าเขามีแต่ร่างกายนะไม่มีจิตใจมีรับรู้ได้อาจจะรับรู้ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนเหมือนคนทั่วไปแต่แค่ 60-70% จสิบเอร์ซมันก็ไม่น้อยแล้ะ มันมีจักเป็นอีกแบบหนึ่งนะตัวอยู่แต่ว่ากลายเป็นคนละคนไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าเจอเล่าเปลี่ยนนิสัยหรือยาดเปลี่ยนนิสัยหรือว่าทําโดนอบายมุกทําให้กลายเป็นคนละคนแต่ว่าเป็นโรคนะคือความจําเสื่อมนอะ่ที่เรารู้จักกันดีคืออัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เรียกว่า พอใครใครเป็นสักคนเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นหนักๆเนี่ยก็กลายเป็นคนละคนไปเลยจากเดิมที่ฉลาดมีความปราดเปรียวสามารถจะช่วยเหลือดูแลคนอื่นได้กลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เมอรอยไม่รู้เนื้อรู้ตัวช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้พ่อแม่นะส่วนแต่ส่วนใหญ่เป็นลูกมากกว่านะเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยมักจะมีอายุมากแล้วปล่อยให้ต้องให้ลูกให้หลานเนี่ยคอยอุ้มไปอาบน้ํานะเช็ดตัวบางทีก็ต้องให้ลูกป้อนข้าวให้นะมันเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตชีวาสิเลยนะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยนะ อาจจะอารวาดก็ได้จากคนที่สุภาพเรียบร้อยมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟือ้อเกอื้อกูลกลายเป็นคนอารมณ์เสียและทำโดยไม่รู้ตัวพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะคนคนเมาเนี่ยนะถึงแม่ไม่รู้เรื่องนะแต่พอสังเมากรู้เรื่องนะแต่ว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนี่ เรียกว่ากลายเป็นคนละคนไปนเลยนะอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการจากเป็นนะแล้วว่าอาจจะหนักกว่าไอาจากเป็นชนิดอื่นๆด้วยนะหรือบางทีก็หนักกว่าจากตายนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะจริงก็ไม่ใช่บางคนหลายคนเลยถ้าหากว่าพ่อแม่ตายในขณะที่ยัง ยังมียังมีตายขณะที่ยังมีความจำดีนะแต่ว่าอาจจะเพราะอุบัติเหตุหรือแม้แต่จะป่วยตายก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตายแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเขาก็ยังมีภาพความทรงจำของพ่อของแม่ของปุปการีที่ดีนะไม่มีภาพอื่นเลยนะมันมีแต่ภาพที่ดี เพียงแต่ว่าเสียใจที่จากไปเร็วแต่คนที่กลายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะสำหรับลูกเนี่ยหรือหลานเนี่ยไอ้ภาพสุดท้ายของคนที่เขารักเนี่ยมันเป็นภาพที่เหมือนกับไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะแล้วก็หลายคนจ้รู้สึกเจ็บปวดมากว่าพ่อของเขานะแม่ของเขาที่เคยดี นะที่เคยมีเมตตาที่อ่อนโยนมันไปไหนนะมันเหลือแต่ใครก็ไม่รู้นะทำใจยากที่จริงอย่าว่าแต่เป็นเอาแซเมอร์หนักๆเลยนะแค่เริ่มจะเป็นเนี่ยนะลูกๆเนี่ยหรือคนแวดร้องก็ทำใจไม่ได้นะมีผู้หญิงคนนึงแกเล่า ว, ว่ากลางดึกเนี่ยพ่อก็โทรศัพท์มาลูกก็บอกว่ามันดึกแล้วพ่อนะ โทรศัพท์อะไมาตอนนี้นะแต่ว่าไอ้คาพูดของพ่อหลังจากนั้นมันทําให้เขาอึ้งนะพ่อบอกว่าช่วยพาพ่อกลับกลับบ้านทีนะเพราะว่าในห้องพ่อเนี่ยมันมีผู้หญิงใครก็ไม่รู้ผู้หญิงแปลกหน้าอยู่ในห้องลูกอึ้งก็เพราะว่าคนที่พ่อพูดถึงเนี่ยก็คือเมียของพ่อแต่พ่อลืมเมียไปละจําเมียไม่ได้ละ นะนึกว่าเป็นคนแปลกหน้าลูกก็ต้องพยายามอธิบายใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อจะบอกว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องของกับพ่อเนี่ยนะมันคือเมียพ่อแล้วก็หรือก็คือแม่ของคนเล่านั่นแหละเจอแบบนี้นะ บ, บน่อยๆนี่ลูกนี่ก็แย่นะเพราะว่าพ่อนี่กําลังจะกลายเป็นคนละคนไปนแล้วลืมเมียลืมลูกและสุดท้ายก็ลืมตัวเองนะบางคนก็เริ่มปวนนะสร้าง ก่อปัญหากับคนในบ้านเช่นชอบหาว่าคนใช้คนงานชอบขโมยของนะเพราะว่าเก็บของเก็บเงินเก็บกเก็บนาฬิกาเก็บสร้อยเอาไว้แลหาไม่เจอนะก็คิดว่าคนใช้หรือคนงานเนี่ยเอาไปที่จริงตัวเองลืมนะลืมแล้วก็ไปเก็บไว้ที่อื่นนะเก็บไว้ที่อื่นแล้วลืมหาไม่เจอ แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองลืมนะส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับนว่าตัวเองลืมจะโทษว่าคนอื่นเอาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะจนบางทีเราแหวนะแวงคนงานต้องให้ต้องไล่คนงานออกไปหาคนงานใหม่มาอยู่ได้ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ก็ไล่คนงานไปแล้วหาว่าขโมยนะคนที่เป็นรู่นนี้เครียดนะ แต่ว่านี้ยังยังยังยังสถานเบานะเพราะว่าไอ้ที่หนักกว่านี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระหว่างเป็นมะเร็งนะเป็นเบาหวานนะไตาวายนะกับเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะอันไหนเนี่ยที่มันจะแย่กว่ากั น, นวันนี้ก็ไปไปเผาศพนะโยมคนหนึ่งนะที่บ้านตาลินทองท่านแกก็ เป็นโยมที่เรียกว่าอุปถัมภ์พระมาอย่างดีนะไม่ได้ร่ำรวยมากที่จริงก็ยากจนด้วยซ้ำแต่ว่าแกมีน้ำใจมากดูแลพระมาตั้งแต่สมัยที่ท่านอาวุธเนี่ยไปอยู่ภูหลงเป็นรูปแรก 2008. เมื่อปีสองแปดแล้วก็ดูแลใจใส่ใส่บาตรคอยกวาดลานวัดช่วยเป็นแรงงานทํโน่นทํานีน่ให้กับทางวัดแต่ว่า พออายุได้สักเจ็ดสบ้านี่ก็เป็นความจําเสื่อมก็ไม่รู้เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าลืมลูกลืมผัวนะแล้วก็ลืมตัวเองด้วยแนะนะหละเมื่อยลอยเดินออกจากบ้านไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายก็ต้องนะต้องจะเรียกว่าคุมแจให้อยู่แต่ในบ้านเสร็จแล้วร่างกายก็สุดโทรมไทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตายเมื่อ สองวันก่อนนะคนคนทำดีมีศีลธรรมนะใฝ่ธรรมสร้างบุญสร้างกุศลนะมาตลอดชีวิตามาลงเอยแบบนี้บางทีมันก็ทำให้หลายคนนะกังขาตั้งคำถามนะโอ้ทำไมทำดีแล้วเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากนะเพราะว่าเรื่องความป่วยความชรามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มา ในลักษณะที่เราจะคาดการหรือควบคุมได้ตอนนี้เมื่อเมื่อเจอคนรักเนี่ยมีสภาพแบบนี้เนี่ยลูกหลานหลายคนทุกข์มากนะไอความทุกข์เนี่ยสาเหตุหลักๆนั้นก็คือเป็นเพราะว่ายัางยังติดอยู่กับภาพอดีตว่าพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของตัวเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วพอเขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะก็ยังไม่ยอมรับความจริงนะก็ยังติดอยู่กับภาพความจำในอดีตแทนที่จะมายอมรับนะสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันนะจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ายอมรับนะว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรเป็นอย่างไรในปัจจุบันเนี่ยยอมรับได้แล้วก็พยายามทำใจรักเขาในสภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เป็นลูกเนี่ ย, ดยเดยพลูกเลยเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นคนรักคือผัวหรือเมียเนี่ยนะทุกทรมานมากเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่ายังติดหลงจมอยู่กับภาพที่เขาเคยเป็นแนดีนะสวยงามฉลาดเทสมาร์ทนะอ่อนโยนนะแล้วพอมาเห็นเขาในสภาพที่เรียวหมดสภาพแล้วเนี่ย นะไม่เป็นคนเต็มคนหรือคนเต็มร้อยเนี่ยทำใจไม่ไดนะ้แต่คนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้นะเขาเขาแนะว่าเนี่ยให้ลืมภาพนะลืมภาพที่เขาเคยเป็นแอนดิดลืมในที่หนไหมเขาว่าวางลงนะอาจจะยังจำได้แต่วางลงแล้วก็ให้ยอมรับสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันแล้วก็พยายามรักเขาในสภาพนั้นให้ได้ และถ้าทําเช่นนั้นเนี่ยนะก็จะไม่ทุกมากนะก็จะมีความสุขการดูแลเขามีความสุขการที่ได้ตอบแทนในฐานะที่เป็นบุปการีจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นความทุกข์เฉพาะของคนที่ดูแลบุปการีที่เป็นอัลไซเมอร์นะใครก็ตามเนี่ยถ้ า, าว่ายังติดอยู่กับภาพในอดีตหรือติดอยู่กับสิ่งที่ตเคงผ่านมาในอดีตแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ประสบอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ร้อยทั้งร้อยก็ทุกทั้งนั้นแหละไม่ต้องเจอเจอพ่อแม่หรือคนรักที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้นะแค่เราเคยนะอยู่ในสถานที่หรือที่ทางานที่มันสบายหรือเคยทางานที่เรารู้สึกชอบรู้สึกสนุกนะเสร็จแล้วต้องมาทำงานที่ตัวเองไม่คุ้นไม่เคยหรือมาอยู่ในสถานที่ทำงานที่มันเทียบกับ ของเก่าไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะหรือว่าอย่างพวกเราเนี่ยนะถาหกว่ามาที่วัดป่าสุกโตแล้วเนี่ยนะใจมันยังนึกถึงบ้านอยู่นะเอาบ้านมาเปรียบกับที่นี่นะเอาความสะดวกสบายนะในของชีวิตนะที่โรงพยาบาลที่สาวให้มาเปรียบกับที่นี่เนี่ยนะแล้วก็ยอมและทําให้รู้สึกว่ายอมรับหรือว่าทําใจกับสภาพ เอความเป็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เนะี่ยแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะเพราะคนเราเนี่ยนะมันมักจะทุกข์เพราะการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนะก็เพราะว่ามันมีภาพในอดีตนะมาเปรียบเทียบหรือว่าติดอยู่กับภาพในอดีต น, นเอความทุงคนเราเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถจะยอมรับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับใจสมัยนะเออในเมื่อเราต้องอยู่กับสภาพแบบนี้นะเราก็พยายามอยู่กับมันให้ดีที่สุดพยายามรักมันนะพยายามหาข้อดีของมันนะเราก็จะพบว่าเราสามารถจะอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขหรือว่าอยู่อย่างปกติสุขได้นะ อันนี้ก็เลยก็คือการหันมาใส่ใจกับการอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะสภาพความเป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นงานการของเรางานที่เราทำนะคนที่แวดล้อมเราหรือแม้แต่สภาพสุขภาพของเรานะอาจจะแก่ชะลาลงไปนะกำลังวังชาลดน้อยลง หรือว่ามีความเจ็บความป่วยจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเราหากเราจะทำใจยอมรับมันแต่ว่าที่ทุกข์นก็เพราะว่าเรายังไปติดอยู่กับภาพในอดีตนะติดอยู่กับประสบการณ์ในอดีตติดอยู่กับความเป็นไปในอดีตของเรานะไอ้ตรงนี้แหละที่ที่ทำให้ทุกข์มากนะ นะถ้าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะพยายามกลับ ม, มาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะเราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เวลวร้ายแล้วมันก็มีสิ่งดีๆที่จะช่วยทําให้เราได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยนะใจความของมันสาระสําคัญของมันก็คือฝึกให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะมันช่วยทําให้เรานะ รู้เท่าทันนะเวลาใจเนี่ยมันเผลอคิดไปถึงสิ่งที่เป็นไปในอดีตนะไม่ว่าสิ่งไม่ว่าความเป็นไปในอดีตหรือประสบการณ์ในอดีตนั้นเนี่ยนะจะเลิศรู้หรือว่าเลวร้ายยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราไปติดกับมันนะก็ทุกสถานเดียวเพราะว่าถ้าเราไปนึกถึงประสบการณ์ในอดีตนะ หรือว่าที่เราเพิ่งผ่านพ้นมาว่ามันสบายอย่างงานมันสบายอย่างนี้ขณะที่ปัจจุบันนี้ไม่สบายเลยต้องตื่นแต่เช้าเช้ามืดนะต้องเจอมแมลงอาหารก็ไม่อร่อยนะที่บ้านเราดีกว่าเยอะนะพอคิดแบบนี้เขาเนี่ยเราจะเป็นทุกทันทีเราจะอึดอัดกับสภาพที่เป็นอยู่นะในทมเองเดียกันเนี่ยเวลาเรานึกถึงเหตุร้ายประสบการณ์แอดดีที่มันเจ็บปวด นะที่มันเลวร้ายเนี่ยพอเรานึกถึงนะั้นใจเราก็จะเศร้านะใจเราก็จะโกรธคุนเคืองนะก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะนะอยู่ที่นี่อาจจะสบายหรือบางคนไปเที่ยวนะไปเที่ยวถึงเมืองนอกอยู่โรงแรมห้าดาวนะแต่พอเป็นนึกถึงเหตุร้ายนะถูกคนโกงถูกคนด่า ว, ว่า ถูกคนทรยศหักหลังพอคิดนี้เนี่ยโอ้มันรุ่มร้อนเลยแม้ว่าห้องพังนี้จะเย็นนะแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนนะเพราะไปหวนนึกถึงอดีตนะที่เจ็บปวดที่เลวร้ายนั้นะไม่ว่าเราจะนึกถึงอดีตที่มันสวยหรูนะหรือว่างดงามเพียงใดหรือนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ให้ผลเหมือนกันก็คือว่าเป็นทุกข์ นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันเพราะว่าไม่ใช่เพราะมันดีเลิศประเสริรสีแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่กับมันแล้วนะถ้าเรายอมรับมันไม่ได้เนี่ยใจเรานั่นแหละนะที่ทำให้เป็นทุกขนะ์จริงอยู่นะสภาพความไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ย มันอาจจะไม่ดีนักนะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขนะมีสิ่งที่ควรปรับปรุงนะแต่ถ้าเริ่มต้นจากการบ่นโวยวายตีโวยตีพายแล้วนะเราก็ไม่เป็นอันทําอะไรในะจเราก็จะทุกข์ใจเราก็วิตกใจล้วก็ขุนเคืองร้อนรุ่มนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เราเออยอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่ได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขมั่งนะ ตราบใดที่ถึงแม้มันยังตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ไขเราก็ไม่ทุกข์นะดีกว่าเอาแต่ร้อนรุ่มเอาแต่ บ, นบ่นบวยวายตีโพยตีพยจริงๆคนเราเนี่ยนะมันทุกข์ก็เพราะความคิดของตัวนะมันไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นเลยไม่ใช่สิ่งนอกตัวนะนี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยนะมันเตลิดเปิดเปิงไปอนะบางครั้งอาจจะฝันกลางวันแต่บ่อยครั้งนะ มันก็ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสภาพที่เป็นอยู่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าใจมันบนโวยวยตีโวยตีพายพอเปรียบเทียบกับอดีตบ้างหรือไม่บางทีก็ไปนึกถึงอนาคตไปนึกถึงงานการที่ยังค้างคาอยู่นไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าคิดล่วงหน้าไปซะละมีพยาบาลคนหนึ่งนะแกเอาเลือดของคนไข้ไปตรวจนะ แล้วก็ใส่ไว้ในในในในหลอดแก้วพรากฏว่ามันเกิดร้าวเกิดแตกขึ้นมานะเลือดมันก็เลือดคนไข้ก็เลยมาถูกกับผิวหนังของตัวแกทุกข์มากเลยนะเพราะไม่แน่ใจว่าคนไข้นะั่นมีเชื้อ HIV หรือเปล่าเนะพยา์วาันคนนี้ก็เป็นเพยาวันเพิ่งจบใหม่ด้วยนะแกะวิตกกังวลมากนะแกะก็ให้ เอาเลือดของคนไข้เนี่ ย, ยไปตรวจหาเชื้อชีวีแล้วก็เอาเลือดตัวเองไปตรวจด้วยนะในระหว่างที่รอผลตัวเนี่ยนะร้อนรุ่มรุ่มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนะถึงกับคิดว่าเนี่ยโอ้เราถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อชีวีเนี่ยนะแล้วใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่เรานะอนาคตเราจะอยู่ที่ไหนนะพ่อแม่ก็ยังเป็นหนีนะ้หนี้ที่ส่งเสียให้เรียนพยาบาลยังไม่หมดเลยนะ นี่จะต้องมาเจอกับข้อกรรมของลูกอีกเลยเนี่ยนะไอ้คิดไปสารพัดเลยนะและสุดท้ายก็ปรกฏว่าเลือดคนไข้ก็ไม่ติดเชื้อส่วนเลือดแกเองก็เป็นปกติแล้วแกก็ปรึกษาว่านี้ทํายังไงดีนะจิตใจมันคิดมากขนาดนี้นะจริงจรเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะก็เพียงแต่ว่าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาใดที่ยังไม่เกิดเนี่ย ก็อย่าพิ่งไปไปพวงถึงมันมากนะไ ม, ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่เตรียมพร้อมนะคนเราก็ต้องไอการที่คนเรามีความระมัดระวังเนี่ยเป็นของดีอย่าถึงกับระแวงนะระวังกับระแวงไม่เหมือนกันนะระวังเนี่ยมันทําให้เร า, าหาทางป้องกันแก้ไขแต่ถ้าระแวงแล้วเนี่ยนะมันมีแต่ความกัดกลุ้มกลุ้มใจบางทีไม่เป็นทําอะไรเอาแต่เอาแต่นั่งเอาแต่นอน กลุใจนะเพราะความระแวงว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายนะกับตัวเองการป้องกันนะไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นของดีหรือการที่เราคาดการว่าอาจจะมีเรื่องร้ายนะแล้วเราก็พยายามหาทางป้องกันแก้ไขหรือว่าบรรเทาเนี่ยเป็นของดีนะแต่ไม่ใช่ว่าไปจมปรับนะอยู่กับภาพอนาคตนะที่ปรุงแต่ง ไปในทางเลวร้ายมันยังไม่เกิดก็อย่าพึ่งไปตี อ, อกชกหัวนะอย่าไปกุ้มหมกกุ้มใจมากนะในขณะที่ผลตรวจยังไม่ออกนะก็ต้องนะรักษาใจให้ดีนะเพราะถ้าเกิดรักษาใจไม่ดีเกิดกุ้มหมวกกุ้มใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับตี อ, อกชกหัวบางทีอาอทาให้ตายเพราะเหตุ น, นั้นก็ได้นะเช่นข้ามถนนนะข้ามถนนก็ใจลอย ใจลอยว่าให้ผลตัวเรื่องของเราจะเป็นยังไงปรากฏโดนรถชนตายนะอันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะวางใจไม่ถูกนะแทนที่จะอะแทนที่จะอะอยู่ได้ยืนยาวเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ปรากว่าการที่ไปตีตนก่อนไขยเนี่ยนะมันทําให้ตัวเองเนี่ยยําแย่และที่ตีตนไปก่อนไข้ก็เพราะนะ ใจมันไปคิดถึงอนาคตไปสร้างภาพไปในทางลบในทางเลวร้ายเอาไวนะ้สร้างภาพไม่พอหลงเชื่อซะอีกนะก็เลยนะกลายเป็นว่าทุกพความคิดของตัวเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้นะว่าเออในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นหมอก็ยังไม่บอกประกาศผลว่าเราติดเชื้อหรือเปล่านะ ก็พยายามจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันพยายามทํางานของตัวให้ดีนะเผื่อใจเอาไว้ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายนะผลผลเลือดอาจจะเป็นบวกเนะผื่อใจไว้แต่ไม่ใช่หมงมุ่นกับมันนี่จะต้องฝึกใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะให้เป็นนะเราสังเกตุมาขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยนะทั้งวันเนี่ยนะเจ็ดแปดชั่วโมงนะใจมันไปนไหนนะี่ยใจมันอยู่กับปัจจุบันกีนะ่มากน้อยใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวกีวก่มากน้อย สังเกตความแตกต่างหรือเปล่านะเวลาใจมันอยู่กัน่องกับตัวเนี่ยนะมันทุกข์ไหมนะมันกลุ้มอกกลุ้มใจไหมนะมีความโกรธเคืองไหมตรงข้ามนะเวลาใจเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไปอยู่กับอดีตก็ตา ม, มไปอยู่กับนักก็ก็ตามเนี่ยนั้นสบายกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีบ้างนะที่เวลาไปนึกถึงอความสนุกสนานได้ไปเที่ยวกับแฟนนได้ไปสนุกสนานอ่า กับพ่อแม่เอหรือว่าฝันกลางวันนะมันก็มีความเพลิดเพลินอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะมันมักจะตามมาด้วยความทุกข์ความเศร้าความขุ่นเคืองใจหรือไม่แต่ความวิตกกังวลนะให้ลองสังเกตดูนะว่าเวลาใจมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอย่างไรนะเวลายกมือนะลใจมันรู้สึกตัวนะว่ากําลังยกมือ นะมันทุกไหมเวลาเดินจงกรมเนี่ยและใจรับรับรู้ว่าลังเดินอยู่เนี่ยนะมันวิตกกังวลไหมนะเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็พยายามนะพยายามที่จะพาใจกลับอยู่กันกตัวให้รู้ทันนะเวลาใจเป็นเผลอคิดนึกไปนะในอดีตอนาคตก็ตามและโดยเฉพาะเวลาใจเนี่ยมันโบนว่อยๆกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเวลาตื่นเวลานอนนะที่วัดนี้นะหรือว่า สภาพอากาศนะในหอใจนะหรือว่าสภาพแวดล้อมนะลองทำใจยอมรับมันนะแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นสุขได้ขอเพียงแต่ว่าเรายอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ได้แต่ก็ต้องย้ำนะว่ายอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะอะไรที่มันควรแก้ไขนะก็ต้องก็ต้องจัดการ เจ็ป่วยนะก็ต้องยอมแล้วว่าเราเจ็บป่วยแล้วนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่แก้ไขจะไม่เยียวยาไม่รักษานะบ้านนะหลังคารั่วก็ไม่บ่นโวยวายตโพก็ยอมรับว่าเออมันมีปัญหาแต่ว่าก็ต้องซ่อมนะไม่ใช่ปล่อยให้มันหลังคารั่วแล้วบอกว่าปล่อยวางปล่อยว่า น, นี่ไม่ถูกนะเอาคำนี้กันเท่านี้นะกราบระ